เราลึกถึงบริกรรมพุทโธพุทโธทแล้วกผู้กําหนดลมหายใจก็ทําเหมือนเดิมนะ่ะหรือจะเอายุบหน่อพองหนอก็ได้ขอให้อุบายเนี่ยหาอุบายทําให้จิตมันสงบเข้าไปกอจิตมันสงบเข้าไปมันจะกายเบาจิตเบา กายปัจจุบจิตปัจจุบมันจะสงบบริกรรมผู้ที่กำหนดลมหายใจเมื่อเวลาลมมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเวลาบางทีในความรู้สึกของจิตว่าลมมันหายไปอย่าไปสู่หาลมแล้วก็จะไปกลัวว่าตนเองจะตาย ความจริงเราลองมันละเอียดเข้าไปเฉยๆนั่นแหละถ้ามันละเอียดเข้าไปนั่นแหะจิตมันจากสงบเข้าไปทีนี้ก็ผู้ที่วริกรรมพุทโอพุทโธพุทโธพุทธโอนี่ถ้ามันยังแวบไปอยู่มันไม่อยู่ท่านก็ให้ตัดพุทธตัดพุทธออกก็ได้เหลือแต่โทโทโทโทโทอย่างเดียวก็ได้ขอให้มันจิตมั่สงบเข้าไป ที่นี่ผู้ที่เคยปฏิบัติมา ก, ก่อนแล้วที่นี่ถ้ากคำนวณเข้าไปจิตมันสงบนิ่งอยู่เฉยๆหนึ่งมันไม่พูงไป่แต่งมาคิดไปไหนมาไหน น, นี่ท่านใหน้อภิจารณามั่งกายลื่อยกายใช่ปัญญาพ้พั่วมั่งกายรือกายว่าในกรสกุละกายนี่มันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้่นี่ผู้หมายถึงผู้ที่สงบแล้วผู้ที่ยังไม่เคยสงบต้องเอา สมถะนิควรหรือว่าอ า, าริก ร, รรมธรรมทานทรมนานแล้วมันไม่เคยสงบที่นี่เราก็่ยวตรงใส่ปัญญาเอาปัญญาอบรมสมาธิผู้ที่สงบได้ง่ายกว่าเอาสมาธิอบรมปัญญาทั้งสองอย่างปัญญาอบรมสมาธิอบรมอย่างไรทีนี่ต้องเปรียบประมาณปมาณไยเหมือนกับ เราจะขวนต้นไม้ต้นหนึ่งลงต้นไม้ต้นนั่นมันมีเถาหรือมีเถาวันเกี่ยวยงไปเกี่ยวกับต้นอื่นๆคั่พันอยู่หลายต้นหลายต้นนี่ท่านจะให้เปรียบประมาณประมาณมเหมือนกับเถามันเกี่ยวยวงกับต้นไม้ต่างๆต้องใส่ปัญญาตัดออกก่อนเพรา ะ, ะนั้นจะว่ามาลื้อกายมั่งกายนี่แหละ ในก้อนสิมากกําหนดดูก่อนส ก, กุลละกายอันนี้ตนตัวของเรามันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้มีขันธาตุทั้งสี่และกัขันทั้งห้าธาตุทั้งทีอยู่ที่ไหนธาตุทั้งสี่ก็มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมรวมอยู่ในก้อนส ก, กุลละกายตนตัวของเราธาตุดินอยู่ตรงไหนธาตุดิน มีผมขนเล็บฟันหนังเยื่อเอ็นกระดูกเกี่ยนี่กระดูกตับปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่คือธาตุดินธาตุน้ำมีน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงือน้ำข้นน้ำลายน้ำมูดน้ำเคลอกน้ำมูดนี่คือธาตุน้ำธาตุลมลมพัดขึ้นบ้ังบนตั้งแต่พื้นเท่าขึ้นไปถึงศี่สาลมพัดลงมือล่าง ตังแต่ศีษะลงมาถึงพื้นท้องลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเขาออกนี่คือธาตุลมธาตุไฟไฟยังการให้อบอุ่นไฟอย่างการให้ชุดโทมไฟอย่างการให้กระวนกรวายไฟเผาให้อาหารให้ย่อยนี่รวมกันแล้วมีธาตุทั้งสีรวมก้อนทักงคนและกายที่นี่คันทั้งห้าที่นี่ รูปรวมกันธาตุทั้งสีรวมกันเป็นรูปแล้วก็มีขั้นห้าเป็นรูปมีรูปและสิ่นี้มันมีเวทนาความสุขความทุกข์คือเสย่แล้วก็มีสัญญาความจําได้ไม่รู้มีสังขารความปรุงความแต่งความคิดความนึกดีใจใสีใจรักสังโกหลงแล้วก็มีวิญญาณความรับทราบตาหูจมูกตื่นกายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่ามันไม่ใช่ตน รูปร่างกายนี่มันไม่ใช่ตนเวทนากรมไม่ใช่ตนสัญญาก็ไม่ใช่ตนสังขารกรมไม่ใช่ตนบิญญาณความรับทราบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ตนนั่นพระนั้นท่านจึงญญให้มาอ่ามามาพิจารณาเนืวอาสัสยปัญญาทักทางก่อน ที่สวเป็นเมื่อกี้นี่ายาทาปตัตยังภพัตตานางังธาตุวัตเมีเวตังยาดีดังกีบังยาดดังบินละปัตโตยา ด, ดังเสนาสนางา ด, ดังคีระนันมันเป็นปัจจัยเป็นเป็นธาตุเป็นปัจจัยอก้อนธาตุก้อนปัจจัยปัปจจัยสันตติคือความสืบต่อนข้าวเมล็ดเดียวนี่มันรวมกันถึงสี่ธาตุมีดินมีน้ำมีไฟรวมพี่พวกเราเขี่ยวกืนลงไป ยาอดินยาไปเข้าไปยาดินน้ำไปยาน้ำไฟไปยาไฟลมไปยาลมสันตติคือความสือปอนอาหารแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันครอมทั้งมีมีครบทั้งสี่ธาตุทั้งนั้นผักก็ผักก็มีสี่ธาตุเหมือนกันทั้งหมดนั้นเพราะฉะนั้นท่านจะให้พุทธ่งพิจารณาให้จิตใจมันรู้ให้จิตใจมันเห็นว่า ม่ใช่สัตว์ไม่ม่ใช่สัตว์ม่ใส่บุคคลมัใช่ตัวไม่ใช่ตัวม่ใช่เราม่ใช่เขาหนิ้จะโตไมัใช่สัตว์หนี้สิบม่ใช่ชีวิตศูนย์โยเป็นของมั่งเป่านั่นเวลาธาตุมันแตกทีหนที่สมมุติเรียกว่าตายตายจริงๆแล้วน่ะจะสมมติหรือไม่สมมุติจะเรียกหรือไม่เรียกเขาก็แตกไปโดยธรรมชาติถ้ามันยังไมจางแตก กอโพรา์้ธรรมศาสตร์มันเป็นของแตกมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรฟวนในท่ากลางแล้วมีความแตกไปสลายเป็นในที่สุดอย่างมากมันก็่า0้อยปีก็แตกแล้วแล้วที่นี้เมื่อมันแตกละ่ะมันไปที่ไหนละ่ะมันมาจากที่ไหนมันกลับกลับไปที่เดิมมันถ้าไม่พอดินก็จะละลายไปสู่ดินน้าก็จะไปสู่น้าไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมนั่น ส่วนที่เหลือก็คือดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจอันนี้มันเป็นนามธรรมมันไม่มีรูปร่างมันมีตัวไม่มีตนแตกตายทําลายขันไม่เป็นแตกไม่เป็นดับไม่เป็นมีแต่มนหลงมาเกิดลงมายึดเอาดินเอาน้ำเอาไฟอารมณ์ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลมัดตัวเล็กๆเกิดดินน้ําไฟลมเหมือนกันช่างตัวใหญ่ก็ดินน้ําไฟลมเหมือนกัน สัตว์ในในโลกถัดน้ําสัตว์บกมีประกอบด้วยธาตุทั้งสีทั้งหมดทั้งสัตว์น้ําสัตว์บกตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งหมดอยู่ในโลกมาเย็ดเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมนี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาสอนเนี่ยให้มาอยู่ในการเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่มันก็ไม่เก็บมันก็ไม่แตกไม่ไม่ดับไม่ตายไม่ไม่เกิด้มามามาปฏิบัติ ที่พราะว่ะวาภาวนาภาวนามาทําจิตใจมันหยุดนิ่งเมื่อมันหยุดนิ่งมันจะคน้นคว้าพิจารณาวิจัยวิจารมั่งกายรื่อกายออกไปให้ให้ให้ใจิตใจมันรู้มันเห็นเห็นธรรมธรรมคืออะไรอริยาสัจธรรมสี่คือพระพุทธเจ้ารู้และพระออพระอริยเจ้าตั้งต้นเป็นแต่พระโสดาพระสจิตาคาพระอน า, าคาและพระอรหัน และพระพุทธเจ้าท่านเห็นอะไรท่านเห็นของจริงของจริงคืออะไรของจริงก็คือทุกข์หนึ่งสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดหนึ่งอะไรเป็นตัวสมุทัยอะไรเป็นเหตุทุกข์เกิดถ้าลึกๆเข้าไปหนึ่งจิตใจนี่ละเป็นเหตุทุกข์เกิดเป็นเหตุทุปัจโยนถ้าย้อนออกมาก็ก้อนสกุลกายก็เป็นเหตุทุกข์เกดอวัยวะทุกส่วนเป็นเหตุทุกเป็นเหตุทุกข์เกิดหมดเป็นตัวเป็นตัวสมุทัยหมด งั้นนะเป็นตัวสมุทัยหมดตากับเป็นเหตุแต่ทุกเกิดหูกัเป็นเหตุแต่ทุกเกิดจมูกกัเป็นเหตุแต่ทุกเกิดลิ้นก็เป็นเหตุแต่ทุกเกิดกายก็เป็นเหตุแต่ทุกเกิดจิตใจก็เป็นเหตุแต่ทุกเกิดจิตใจที่เป็นเหตุแต่ทุกเกิดจิตใจที่มันลุ่มหลวงที่หันให้เสื่อให้นามว่าตัวอวิชฌาจิตอวิชฌานจิตที่มันมาหลวงยึดอ ก่อนสักุลรกายเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนตมายึดโลกมายึดสมมติบัญญัติในโลกดับหมดไม่มีอะไรตกข้างอยู่ในอยู่ภายในจิตใจนที่ให้ที่ท่านให้เสื้อให้นามว่าพระนินพันธ์พระนินพันธ์พระนิพันธก็คือนิ้พระนิพันธเนี่ยไม่ใช่บรรยูในท้องฟ้าอากาศดูในดวงจิตดวงใจของพวกเราเนี่ยแต่ยังไม่เป็นท่านให้มาปฏิบัติ ถ้ามันเป็นพาณิพันธ์คำศัพท์ของพระณิพันธ์ก็คือนิพิธาความเบื่อทําไรไม่จีเบื่อเบื่อได้ที่นี่เบื่อรูปเบื่อเสียงเบื่อกินเบื่อรถเบื่อเครื่องสัมผัสนเบื่อรูปร่างกายเบื่อเวสนาความสุขความทุกข์เบื่อสัญญาความจํำไร้หมายรูปเบื่อสังขารความปรุงความแต่งความคิดความนึกใจเสียใจและสังขารร่างกาย แล้วก็เบื่อวิญญาณความรับทราบตาหูจมูกลิ้นกายใจนถ้ามันเบื่อน่ายมันก็คลายความกำหนัดจินดีเมื่อคลายความกำหนัดจินดีกินกับพ้นนั่นพ้นประเทศเหนืหลักก็พ้นประจักรูปมันเดิมนี่ลหละพ่นประจกักรูปพ้นประจกักรเวทนาพ้นประจักษัญญาพ้นประจักษ์สังขารพ้นประจักษ์บีญญาณนั่นพ่นประจักรตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นั่นดินไม่ใช่ตนน้ำไม่ใช่ตนลมไม่ใช่ตน นั่นนะไฟไม่ใช่ตนน่คําที่ว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาตัวมันเป็นภาษาบาลีว่าอนัตตาของความเป็นของไม่ใช่ตนนั่นไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็มีความแปลควนในท่ามกลางแล้วมีความแตกสลายไปในที่สุด่เพราะฉะนั้นสิ่งใดมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นมันเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตนนั่นเป็นไหมล่ะถ้าทุกข์เราไม่ใช่ตนแล้วตนขูงตนจริงๆมันจะไม่มีอะไรอยู่ในนั้นมันจะว่างไม่มีอะไรมันจะว่างเพราะฉะนั้นฉันให้มาปฏิบัติมาทําจิตใจให้มันว่างทําจิตใจให้มันเป็นหนึ่งไม่ให้มันมีนมสอง ทีนี่ถ้าย้อนไปออดีตที่ผ่านมานพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี่ไม่ใช่น้อยเลยสวดไปเมื่อกี้นี่สัมพุทเทอทตวีสัญจ่าดาวรสัญจ่าชาตเกณฑ์พระสูตรนี่ไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี่ไม่ใช่น้อยเลย สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าิบสองพระพุทธเจ้าแล้วนั่นบางทีพวกเราเนี่เกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ได้ทำไมมันตกข้างอยู่อย่างนี้เพราะมันไม่เชื่อนั่นหูมีไหมมีเหมือนกับหูแอบเข้าเขาหูคล้องเขามันรับมันไม่รับธรรมของพระพุทธเจ้ามันไม่เชื่อตามีไหมมี มันก็ตาไม่ไผ่เพราะฉะนั้นจับให้ตั้งศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านแม่น ม, มากแล้วก็อย่าไปดูถูกดูหมิ่นตนเองว่าเรานี่บุญน้อยวาสนาน่อยข้างพุทธการ ช่วงระยะพระพุทธเจ้านั่นน่ะตัดรู่ใหม่ๆเป็นคาราบัตญาตโยมเหมือนพวกเราเนี่ไปฟังวังเทศของพระฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระโซดาพระสจิทาคาพระอนาคาและพระอารหันยังไม่ได้บวชยังเป็นโยมเหมือนกับพวกเรานี่ะพอจิตเห็นว่า มาเห็นร่างกายแบบตัวสักกายเยสทีนี่ไม่เห็นอ่าม่เห็นร่างกายนี่เป็นตนไม่เห็นตนเป็นกายไม่เห็นกายมีในตนไม่เห็นตนมีในกายนี่จิตเห็นเห็นธรรมอย่างนี้แหละท่านให้สิว่าเป็นพระอารียเจ้าท่านกำบอกว่าเธอจงเป็นพระภิกษุมาเถอด ไม่นั่นไม่ได้เข้าบวชบวชในบวชท่านท่านบอกเ่าเธอจงเป็นพระมัดพระเป็นพระภิกษุมาเถิจบแล้วนั่นโดยสมากมันดูถูกตนเองคนอาสอาสมัยชุ่ววันแล้วกลับไปเห็นว่าหมดยุคหมดสมัยหมดมรรคหมดผลมรรคคือข้อปฏิบัติคือสินนี่รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยนี่ซื่อว่าสิน ความรักษาใจให้มั่นตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาจะถามว่ากองสังขารมันอยู่ที่ไหนกองสังขารกับกองรูปนั่งอยู่นี่แหละของใครของเรากองสังขารรอบทั้งรอบทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งรอบอยู่นี่ความรอบรู้ในกองสังขารซี่ว่าปัญญาเนี่ยบัดศีลสมาธิปัญญาที่นี่ศีลดันใดทิ่นี่ สิ่อันใดสมธิอันนั่นสมธิอันใดปัญญาอันนั่นปัญญาอันใดวิบุตอันนั่นนั่นวิมุติก็คือความหลุดพ้นน่ะมันอยู่ที่เดียวกันสิ่งก็คือจิตใจสรรมทิศก็คือดวงจิตดวงใจปัญญาก็คือดวงจิตดวงใจอันเดิมนี่แหละออย่าประโยชน์นให้คนนั่นอย่าประโยชน์ให้คนนี้มันใช่อาขูดคิ้ว อกลผมห่มเขาห่มเหลืองจึงเป็นหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นใครก็ได้เราไปาราวาสญาติโยมนี่ศีลห้าตัวเท่านั้นหละพระภิกษุมันเพงสองร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าถ้าถ้าศีลไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นสัขนกขวรมรขควรเหมือนกันห้ามมรห้ามผลนั่นน่ะมันปิดมันบงังถ้าศีลไม่บริสุทธิ์นี่มัน ประธานในเรศีลเนี่ยประโยคแรกต้องรักษาศีลให้บวชให้มันเป็นปกติก่อนกายปกติมาจากปกติจิตใจปกติกายไม่มีโทษมาจากไม่มีโทษจิตใจไม่มีโทษเนี่ยตั้งต้นจะเข้าปฏิบัติถ้าไม่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วที่นี่มันเป็นซักบอลมรคบอล มันห้ามมักห้ามผลมักคือข้อปฏิบัติผลของการปฏิบัติคือปฏิเวทธรรมคือสติคือปัญญาคือความสว่างของจิตของใจนั่นกุศลคือความสว่างของจิตของใจบุญก็คือความสุขกายสบายใจหนึ่งอย่าไปสงสัยงานเรานี่บุญน้อยวัฒนาน้อย รวมันน้อยก็บรรูมมือเรือให้มันจเจริญเต่บโตที่งทำให้มันมากทําให้มากจเจริญให้ยิ่งจริงจริงจะบอกทุกให้เห็นทุกมากๆแล้วก็เห็นเหตุให้ทุกเกิดมากๆให้มันถึงจิตตั้งใจจริงๆเมืม่อมาผ่านทุกกระผานเหตุให้ทุกเกิดเข้าไปจิตสงบรวมเข้าไปนั่นท่านอาจารยว่านีโ่โรดคือความดับทุก ถ้าหนีรอดนี่ถ้าจะพูดเป็นภาษาพื้นบ้านแล้วก็ว่าหนีรอดทาไมาต้องหนีรดอดเขาเห็นว่ามันเป็นทุกข์ น, น่นะสาวหายมันเปทุกข์ทุกข์จริงๆมันอยู่ตรงไหนย้อนเข้าไปเมื่อเข้าไปถึงความจริงแล้เขาไปหาหาดวงกินดวงใจจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรดวงกิดนดวงใจแท้ไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์ที่นี่เมื่อร่างกายยังมีอยู่ขันยังมีอยู่เวทนามันก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมแต่จิตใจมันลู่ เวทนาคือเวทนาสุขก็คือสุขบ่สุขไม่ใช่จิตไม่ใช่ตนทุกข์ก็ไม่ใช่ตนกกต น, นั่นเวทนาไม่ใช่ตนทัญยานทันขันไม่ใช่ตนทั้งนั้นนั่นนี่ท่านให้วิจัยวิจารณ์ให้ไม่รั่วให้ไม่ขึ้นมาให้จิตใจมันแยกออกมาจากจากขาดจากขันนี่มาทําจิตใจให้มันเป็นเอ ก, กเทศไม่ให้เป็นอะไรทั้งสิน้นนั่นนั่นนี่อความสุขกับแทศจริงอยู่ตรงนี้ ไม่จากความชุบไม่ไปอยู่กับทั บ, ก, บกับสมบัตินะนนที่นี่สรุปเข้าไปว่าอยากพ้นทุกอยากพ้นทุกให้บางสุขในโลกอยากพ้นโศกเศร้าโศกาอะไรให้บางสุขในรักสุขทุกหนี้ของมีประจําโลกมนุษย์เศร้าโศกก็พระสุขทุกทั้งสองนั่นเห็นไหมเมื่อละสุขละทุกได้เหมือนใจปอง ไม่เศร้ามองขุนมัวซั่วนิลันนะจบแล้วไม่มีอะไรมีแต่ความว่างของจิตของใจเกลียดใจนี่พ้องก็ไม่มีใส่ก็ไม่มีอวัยวะทุกส่วนไม่มีไม่มีตัวไม่มีตนดวงรูรู่นแต่ในปัจจุบันมันยังไม่เป็นดวงรูมันยังเป็นดวงหลงรูนนั่นมันหลงอะไรที่สรุปแล้วมันหลงตน มันไม่เห็นตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะให้มาปฏิบัติมาตามหาตนของตนให้มันเจอให้ไม่รู้ให้ไม่เห็นผู้ใดเห็นตนผู้นั่นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นพระพุทธเจ้านั่นธรรมคืออะไรธรรมก็คือดวงจิตดวงใจอันบริสุทธินั่นอันเดียวกันถ้าพวกเราปฏิบัติเมื่อเห็นตนแล้วที่นี่ตนของตนก็อยู่ที่นี่พ่อเราก็อยู่ที่นี่ แม่เราก็อยู่ที่นี่พระพุทธก็อยู่ที่นี่พระธรรมก็อยู่ที่นี่พระสงฆ์ก็อยู่ที่นี่นัดมันจะวิ่งเข้าหากันมันจะเป็นอันเดียวกันเพราะว่าทํามันเดียวกันคือดวงจิตดวงใจเนี่ยณเวลาปฏิบัติจะไปกลัวตายถึงกลัวห่ะกจิตใจมันก็ไม่ได้ตายจิตใจไม่ได้แตกจิตใจไม่ได้ดับร่างกายเขาแตกทั้งหากธาตุเขาแตกตั้งหากทาไมมันจึงแตก ทำมาตราเปลี่ยนของแตกมันมีอายุนั่นเพราะพระพุทธเจ้าตระเทศ็ดอานุญาตานาตาลัคนาสุระรูปังโคลื้อร่างกันรูปังนิจจังว่าอานิจจังเป็นของไม่เที่ยงรูปังนิจจังว่าอานิจจังบาเตนพระพุทธเจ้าถามพระปัจจัไม่ขีดห้าปั่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอานิจจังพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าข้าแล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นสูงดื้อมันทํามันไม่เที่ยงมันเป็นสูงดือมันเป็นทุกข ดูกข้างพันเตเป็นทุกพระเจ้าข้าเนี่ยถ้าไมเป็นทุกข์เรไม่ใช่ตัวเลยมันใช่ใช่ท่าใช่ตัวตวนหรือไม่ไม่ใช่พระเจ้าข้านะพราะพระพุทธเจ้าเทศจบอนัตต์อนาตาัอนาตตลักนัดสูตรจบลงนั่นพระปัจจักีทั้งห้าได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดนั่นพวกเราเดี๋ยไปโยนให้พระปัจจักีทั้งห้าจงน้อมกมาใส่ตนนี่ สุขเราก็รู้อยู่นี่ทุกเราก็ยู้อยู่นี่าก็ัมับเข้าไปหาดวงจิตดวงใจหนึ่งมันมีไหมสุขมีไหมทุกมีไหมอารมณ์ต่างๆมันมีไหมอยู่ในจิตใจหรือมันบ้างอยู่ก็ให้ไม่รู้มันไม่บ้างก็ให้ไม่รู้นั่นกัมโมเข้ามาเนี่ยมาทําจิตใจมันบ้างจำว่ามหาสติประฐานสี่นั่น กายเวทนาจิตธรรมกายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาก็ศักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำจิตเหมือนกันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไรอยู่ในบัาเพราะฉะนั้นต้องต้องจิตตั้งใจทําจริงๆจังๆเมื่อทําจริงไมันก็จะรูปของจริงก็จะเห็นของจริง ถ้าทำไม่จริงทำแล้วอะไรนั่นและผลได้รับเหมือนเหมือนเหมือนกันนี่โดยส่วนมากละ่ะเวลาปฏิบัตินั่งแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงหรือถึงชั่วโมงไม่ไม่ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นนี่นะตรงนี้ละ่กะก็เลยไปไปไปยกโทษพระพุทธศาสนาว่าไม่มีมรรคไม่ผล มันเหตุมันมันมันไม่พอมันจะเกิดได้อย่างไรเปียบประมาปณไปเหมือนกับเขาปลูกมันหนึ่งพอปลูกเสร็จก็โควดขาหัวมันเลยไม่เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้มันดูเหตุทําทํามันมากมากที่สมเหตุสมผลอ่ะเรียนหนังสือยังยังไม่ได้ถึงปีไปสอบปริญญาเอกไมนได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้นั่นดูเหตุมันทีล่ะ โดยสมากนะเหมือนกับพูกมันนะไม่ได้ดังใจเลยไม่มีมรรคมีผลเลยหยุดเลยเนี่ยไม่จะได้อะไรของมันนั่นมันเวลากีเลเยททำไมมันมันหมดไม่เปลี่ยนที่นี่มันบังคับจิตใจเนี่ยขี้เกียจขี้ข้านัดเหนื่อยเมื่อยล้าง่วงเงาเฮานอนทําไมมันมันมันไม่หมดมรรคคือข้อปฏิบัติคือสินเนี่ยนะเมื่อเรารักษาขึ้นเมื่อไหร่นั่นแหละ มักเมื่อเกิดขึ้นผลของการปฏิบัติกปฏิเวษ ธ, ธรรมก็คือความคือสติคือปัญญาคือความสุขกายสบายใจขึ้นมาอีกผลของการปฏิบัติตท่นให้เรียกว่าปฏิเวษ ธ, ธรรมนะจะไปหาเอาที่ไหนเนี่ยของดีที่สุดก็คือจิตใจอันบริสุทธิ์ที่เนี่ยพูดที่ไม่เอาใจใส่ปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่เชื่อทำคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า บาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั่นไปทำกรรมชั่วเสียงหายเสียตนขั้วตนไม่มีชินไม่ทำำํำบาจัมจีบาจัประจําใจเมื่อแตกตายทําลายขันลงไปที่นี่กรรมชั่วนั่นละ่ะมันจะผลักดันจิตใจให้ไปเกิดในภูมิที่ต่ําภูมิที่ต่าไปเกิดที่ไหนภูมิที่ต่ําไปเกิดในเมืองนรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรและไก่ ไปเกิดเป็นสัต์เด้ศจฉานไปเกิดเป็นผู้ผีปีศาจ ย, ย่างได้ย่างหนึ่งแน่นอน ท, น, นที่นี้ฝ่ายกุศลที่นี่งตัง้งต้นปัจจการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาตนำสุดก็มาเกิดเป็นมนุษย์อันบริสุทธิ์บริบรูรณ์สูงขึ้นไปอีกก็ไปเกิดในสวรรค์หกสั้นสั้นได้สั้นหนึ่งสูงขึ้นไปอีกไปเกิดในภพรมพรรคภพสิมหกสั้นสั้นได้สั้นหนึ่ง ถ้าสูงขึ้นไปกับสุทวาตห้าจุดท้ายก็คือพระนิพพานพ้นจะคุ้มเกิดคุ้มเกิดคุ้มแกคุ้มเกิดคุ้มแก่คุ้มเกี่ยวคุ้มตายไม่ย้อนมากะมาเกิดอีกถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีทุกข์บรรดพระพุทธเจ้าชั้นเจสอนว่าเอช่างเวทคาถาที่เราสวดอยู่ในธรรมวัดเจ้าอิทัตทัตะกัตโตโลเกออุปดูอัลหังสัมมาสัมพุทโธ จนเกิดชาที่ปีทุกขาชาติความเกิดเป็นทุกชร า, าปีทุกขาแก่ก็เป็นทุกขโศกปณิเทวทุกขกโทมานสุปัญญาซาปีทุกขาอปิเยหีสัมปัญโยโคสุโคิเยหีวิปัโยโคสุโคจำปิสังนาราปาฏิตัมปีทุกขังสังคิตเตนะปัญจุประธานาคันธาทุกขะอีรังโคปนาภิคะเวดุกขะสมุรยโยอริยสัจจังนะะมันเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุที้ทุกเกิด ชาติก็เป็นเห็นทุกเกิดแกก็เป็นเห็นทุกเกิดเก็บไข้เรืยป่วยก็เป็นเห็นทุกเกิดความเศร้าโศกโศกาอะไรก็เป็นเห็นตุทุกเกิดนั่นมันอาจารย่จให้ปล่อยให้บ้างให้หมดทำจิตใจมันว่างว่างให้หมดนั่งภาวนานที่นมันยังมีอาการเจ็บปวดอย่าพยุดมันมันจะตายก็ไม่ตายลองดูมันจะตาย ม, าย ม, ายมัเมื่อสลายจริงๆอาอตายก็ตายไปดู พอว่างปุ๊บไม่จะผ่านเลยถ้าเสียสาระจริงๆมันก็ผ่านเมื่อผ่านก็ไปเบธนามมันก็มันมีมันหายหน้าไปไม่ซราบไม่หายไปที่ไหนเลยถ้าสระจริงๆเนาะมันสําคัญมันมันจีบไม่เข้าไปยึดเสื่อได้ตัวเวธนามมันก็ไม่มีตัวมีตันเหมือนกันมันก็บ้างๆเหมือนกันเหมือนเหมือนรวมๆเร่งๆเสื่อ เมตนามันก็มันเที่ยงเหมือนกันมันจะว่าเมตนานิจจาวานิจาวาติอนิจพันเตเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมทนาฟ้าพูดกัเจ้าถามพระพันศาประชีตังหานไม่เที่ยงพระเจ้าข้าถ้ามันไม่เที่ยงมันเป็นสุหรือมันเป็นทุกข์ดุขั้งพันเทเป็นทุกข์พระเจ้าข้าถ้ามันเป็นทุกข์เป็นไปทุกข์มันมันใช่ตนหรือไม่ไม่ใส่ตนพระเจ้าข้านี่เรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายเนี่ยมันเป็นล่านล่านแล้วชาติภพที่พวกเราเกิดมัน มันจะเกิดไปถึงไหนอีกจะแก่ไปถึงไหนอีกจะแตกตัดทํางทั้งลายขันไปถึงไหนอีกนั่นไ ม, น ม, นมน่ที่จบที่สิ้นนี่มันจะเกิดเร่องขึ้นไปข้างหน้าทําไม่เบือ่อถ้ามันเบื่อนายใครของคมไหนที่หนีมันจบแล้วจิหยุดในการเกิดไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่มีทุกข์พ้นแล้วทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ในดวกินดวงใจกิจจะว่างนะไม่เกิดชาติหน้าพบหน้าก็ไม่ไม่ไม ใ, ใครจะมาอภิเสกให้เรา เราเท่านั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติเราเท่านั้นจะเป็นผู้รู้เราเท่านั้นจะเป็นผู้เห็นนะสุขเราก็จะเป็นผู้ผู้รู้ผู้เห็นทุกข์เราจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นน่ะไม่มีสุขไม่มีทุกข์กับเราเองจะเป็นแต่เป็นผู้รู้ผู้เห็นน่ะเนี่ยจะไปห า, าที่ไหนของดีของดีที่สุกขก็คือกิจอั น, นบริสุทธิ์นัน่นในโลกนีนน่นอนสุมมุติเรียบเสนนถียรเพชรกระดินนั่นแหละทองคํากระดินแก้วกระดินธาตุดินนั่นกัน สมมติไส่กันอยู่ในโลกให้หลงอยู่ในโลกจะถามว่าโลกโลกอยู่ที่ไหนโลกกับจิตใจนี่แหละเป็นโลกถ้าจิตใจมายึดร่างกายว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นจิตใ จ, จยังเป็นโลกอย่างไปเรียนความรู้มาจากได้ไดจบปริญญาเอกมาจบมากก็มาแบกไปที่นี่แบกให้มันหนักแบกความรู้ แบกสมมุติแบกบัญญัติแบกโลกแบกสงสารแบกตัวแบกตนนั่นแหะท่านให้ปลงให้วางให้หมดเมื่อจิตใจปลงวางในที่นี้ถ้าธาตุขันยังมีอยู่ท่านก็ยห้เลี้ยงดูกูเสืออยู่เหมือนเดิมเลยเมื่อเวลาโลกเกิดขึ้นท่านก็ให้รักษาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเวทนาน อยู่ในจิตใจมันไม่มีเพราะจิตมันไม่รับมันจิตใจมันรู้เท่าเพราะราเบธานาก็คือเวธนาจิตก็คือจิตมันไม่เข้ามันเข้ากันไม่ได้ทําไมมันจะเข้าไม่ได้ก็เพราะมันรู้มันจะมันจะเข้ามันจะเข้าตรงไหนเพราะมันรู้อยู่ตัวตัวเวสนากับตัวรู้นมันไม่ใช่อันเดียวกัน่ะ